ได้ดูคลิปวิดีโอจากเว็บไซต์แห่งหนึ่งน ะ, ะเป็นภาพที่แปลกดีเป็นเด็กตัวเล็กๆนะอายุไม่กี่เดือนนะ่นนะนอนแล้วปรากฏว่ารอบตัวนี่มีงูเห่าอยู่นะสี่ตัวแต่งูมันไม่ได้มาทำร้ายนะงูมันเหมือนกับว่าคอยป้องกันเด็กน้อยนะงูมันชูนะ คอแผ่พังพานทั้งสี่ตัวเลยก็ไม่รู้ว่าเป็นงูเลี้ยงหรือว่าเป็นงูที่โผล่เข้ามานะในเป็นงูเลี้ยงมากกว่านะเพราะว่าถ้าเป็นงูาจากที่อื่นนี่คนถ่ายคงจะไม่แช่ภาพนานอย่างนั้นนะอันเด็กก็หลับสบายงูก็ชูคอคอย มองออกไปข้างนอกนะเหมือนกับว่าจะป้องกันนะรักษาเด็กให้ปลอดภัยเด็กบางครั้งเนี่ยก็พลิกตัวแล้วก็เอามือเนี่ยไปไปไป่ายนะไปถูกคอ ง, งูเนี่ยให้ ง, งูมันก็เฉยๆนะไม่ได้รู้สึกตื่นกลัวเหมือนกับว่าคุ้นเคยกันดีก็แสดงว่านะอ่างูนี่เขาน่าจะ อยู่ที่นั่นมานานนะจนกระทั่งคุ้นเคยกับเด็กแล้วก็เจ้าของนี่ก็อาจจะอยากจะถ่ายให้เห็นว่าเป็นเรื่องแปลกนะน<ส>ก็เลยเอางูนี่มาวางเอาให้ใกล้ๆรอบตัวเด็กนะแต่ว่าการที่ถึงแม้ว่าจะเป็นงูเลี้ยงนะแต่การที่งูนี่เขาไม่รู้สึกว่าเด็กนะ่ะเป็นภัยอันตรายแล้วก็ ดูเหมือนว่าจะคุ้นเคยกับเด็กนี่มันก็เป็นเรื่องแปลกอยู่แล้วนะจะว่าไปมันก็สะท้อนหนึ่งนิสัยนะใจคอของงูแล้วก็สัตว์เลื้อยคลานอย่างอื่นว่ามันก็มีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกันนะแล้วความคุ้นเคยกับงูความคุ้นเคยกับคนนี่ก็ก็เป็นเรื่องที่เขาสามารถจะรับรู้ได้ แล้วก็เห็นคนเนี่ยไม่เป็นภัยคุกคามกับเขาโดยเพราะกับเด็กๆสัตว์นี่มันจะว่าไปแล้วนะมันแม้แม้กระทั่งสัตว์เลยคานนี่มันก็มีความรู้สึกคุ้นเคยแล้วก็ความอาจจะถึงขั้นความเมตตาเคยมีอ่กากาสศีคนหนึ่งเนี่ยนะเป็นชาวเกาหลีแกก็เป็นก้าวศีประจำเรือเดินสมุทรแล้วก็วันนั้นเนี่ย คื่มันแลงมากเรือก็โครงเคลงแล้วก็จนกระทั่งกลาสีเนี่ยตกลงไปจากเรือลงแม่น้ําเ้ำลงมหาสมุทรไปเลยเขาก็พยายามร้องส่งเสียงเรียกนะเพราะว่าถ้าเรือเนี่ยทิ้งเข้าไปเนี่ยเขาก็ตายแน่เพราะทะเลมันมหาสมุทรนี่มันเว่อรว่างเหลือเกินแต่ว่าก็ไม่มีใครเห็นไม่มีใครรับรู้นะว่า มีกะลาสีคนหนึ่งตกลงไปในทะเลแล้วเขาก็พยายามว่ายเอาตัวรอดนะซึ่งก็หาความไม่มีความหวังเท่าไหร่นะอาจจะพอๆกับเรือจะยิ่งกว่าพระมหาชนกเลยนะที่ลอยคอกลางทะเลไม่เห็นฝั่งเลยแล้วก็จู่ๆก็เห็นคล้ายๆเป็นเกาะเล็กๆอยู่ข้างหน้าเขาก็ดีใจนะว่ายไปแต่บากว่ามันไม่ใช่เกาะนะ คือมันเล็กกว่าที่เขาคิดแต่ก็ใหญ่พอที่จะทำให้เขาเนี่ยนะขึ้นไปพักบนอ่าบนบนเกาะเล็กๆนั้นได้นะก็คล้ายเป็นเนินดินอย่างนั้นนะ่ะก็แปลกใจนะว่ามันมาได้ยังไงอยู่กลางทะเลก็เอาปีนขึ้นไปนะแล้วก็ไปนอนพักเอาแรงนะอยู่บนไอ้เนินดินนั้นที่จริงเป็นเนินคล้ายๆเป็นเนินหินมากกว่าแต่มาดูอีกทีมันไม่ใช่นะไม่ใช่เนินหินนะ มันคือหลังเต่าหลังเต่าตัวใหญ่มากเลยเต่าทะเลพอรว่วเป็นหลังเต่านี่เขาก็ตกใจเลยนะเพราะว่าไอ้เต่าเนี่ยมันธรรมชาติของมันเนี่ยมันก็จะขึ้นมาอยู่เหนือทะเลสักพักแล้วมันก็จะดำดิ่งลงไปในทะเลเก็กลัวเลยนะว่าถ้าเต่าเนี่ยมันดำดิ่งลงไปในทะเลนี่เขาจะทำอย่างไรนะ เขก็ภาวนาแนละ้วขอให้เต่าเนี่ยมันอย่าดำดิ่งเล้ไปลงไปเรนนะพรากว่าเต่านี่มันทําตามที่เขาปาฏิหารินะก็คือมันก็ลอยคออยู่กลางทะเลงั้นแหละไม่ใช่แค่ห้านาทีสิบนาทีนั้นเป็นชั่วโมงทางที่ไม่ใช่นิสัยของมันเลยเต่ามันคงรู้นะว่ามีคนอยู่ข้างบนแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือไม่รู้มันรู้ได้ยังไงมันก็เลยลอยคออยู่กลางทะเลนั้นแนหะ แล้วก็บังเอิญนะเขาก็เห็นเรืออีกลำหนึง่งแล่นผ่านมาใกล้ๆเขาก็เลยโบกมือทำสัญญาณคราวนี้คนในเรือเห็นก็เลยส่งเรือกู้ชีพนี่มาช่วยเขาแล้วก็เอาเต่าขึ้นมาด้วยนะเต่าตัวมันใหญ่มากคนเห็นก็แปลกใจแล้วเขา ก, กะลาสีคนนี้ก็ขอร้องอ่า คนในเรือลำนั้นว่าเนี่ยอย่าไปทํอลายเต่านะเต่าตัวนี้มันช่วยเขาไว้นะก็เลยไม่มีใครทำอะไรเต่าตัวนี้แล้วก็ปล่อยไปแต่ก่อนจะปล่อยนี่ก็เขียนข้อความนะว่าเนี่ยเต่าตัวนี้ช่วยคนเอาไว้เขียนข้อความเพื่อว่าใครจับเต่าตัวนี้ได้นี่ก็จะได้ไม่ฆ่านะปล่อยไปนั้นเต่านี่มันก็มีเมตานะปกติเมตตาแบบนี้เราเรียกมนุษยธรรมนะ คนมีมนุษยธรรมคือคนมีเมตตาช่วยเหลือคนเดือดร้อนแต่ว่าเราจะใช้คำนี้กับเต่าคงไม่ได้นะเพราะเต่านี่มันเป็นสัตว์มันไม่ใช่มนุษย์แต่ว่ามันมีเมตตาทีเดียวมันรู้นะว่าถ้าดาดิ่งลงไปในทะเลนี่คนต้องตายก็อยากจะช่วยนะะมันจะมีเรื่องราวของสัตว์ที่ช่วยเหลือมนุษย์เนี่ยมากมายนะ อย่างปาโลมาแล้วเคยได้ยินนะว่าช่วยช่วยมนุษย์ที่ลอยคอยอยู่กลางทะเลบางทีก็มีการช่วยเด็กทารกนะซึ่งก็แปลกดีอย่างหลายปีก่อนนี่ที่ออยกินตินาเนี่ยมันมีคนทิ้งเด็กเอาไว้เด็กแรกเกิดเลยนะแม่นี่คลอดลูกมาแล้วไม่รู้ทำไงกับเด็กก็เอาไปทิ้งในสวนสาธารณะบอกว่ามีแม่หมาตัวหนึ่งอายุแปดขวบนะ มันเห็นเป็นแม่ลูกอ่อนด้วยก็เลยช่วยนะช่วยยังไงเพราะตอนอากาศหนาวมากมันเป็นช่วงวันคริสต์มาสนะอากาศหนาวมากเด็กก็คงจะร้องหรือถ้าทางจะจะอยู่ไม่ไหวนะหมามันทำยังไงหมามันลากเลยนะหมามันคาบเด็กแล้วก็ไม่เรียกว่าคาไม่ได้เรียกว่าลากดีกว่าลากเด็กลงไปไปที่หลังของมัน ซึ่งก็มีลูกน้อยๆอยู่มากมายเสร็จแล้วมันก็เอาตัวเนี่ยขดนะรอบตัวเด็กเพื่อให้ความอบอุ่นพร้อมๆกับลูกของมันตัวเล็กๆนะแล้วก็ไม่รู้ไปหาผ้าคีรูมาจากไหนมาคลุมตัวเด็กด้วยเด็กก็เลยรอดตายถ้ามีคนมาเห็นนะก็แปลกใจว่าโอ้หมาตัวนี้นี่มันมันลักเด็กมากนะ คือไม่ใช่ลูกของมันนะแต่มันรักนะมันก็อยากจะช่วยเอาตรงข้างกับมนุษย์นะที่มีลูกแล้วนี่ทิ้งลูกเขาสืบไปสืบมาก็เพราะว่าแม่ของเด็กนี่อายุสิบี่ขวบนะสิบสี่เนั้นแหละก็คงจะอยู่ยากนะถ้าเกิดว่ารู้ว่าใครใครใครๆร่วตัวเองมีลูกน ะ, ะถ้าสังคมเนี่ยก็มีความไม่เข้าใจหรือมีความต้องการลงโทษเด็ก นะที่ข้อลูกแบบนี้นี่เด็กก็คงจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเอาไปทิ้งนะเพราะไมนงั้นอยู่ไม่ได้เช่นเกิดครูรู้ว่าข้อลูกก็อาจจะไล่ออกจากโรงเรียนนะสังคมนี้มันก็มีวิธีการทําร้ายคนนะโดยที่อาจจะไม่ตั้งใจแต่ว่าสัตว์เนี่ยมันไม่รู้เรื่องหรอกนะมันเห็นเด็กถูกทิ้งมันก็พยายามนะช่วย เด็กก็มีรอยรอยถลอกเล็กน้อยนะจากการล่าของหมาแต่เด็กก็ปลอดภัยอันนี้ต้องเรียกว่ามันเป็นสัญชาตญาณของของสัตว์นะโดยเพราะของสัตว์เพศแม่เพศเมียโดยเพราะแม่ลูกอ่อนนี่มันก็เห็นมนุษย์เนี่ยตัวเล็กๆมันก็รู้นะว่าเนี่ยคือเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือมันก็ทําทุกวิธีทางที่จะช่วยเด็กนะแล้วก็ทําได้สําเร็จด้วย เรื่องแบบนี้นี่มีเยอะมากทีเดียวนะสัญชัติยานความเป็นแม่นี่แม้กระทั่งสิงโตเนี่ยไปขยุม่มไปฆ่าลิงบาบูลละไปเจอลูกของมันแทนที่จะกินแทนที่จะกัดกินลูกของมันเป็นอาหารมันกลับช่วยนะช่วยลิงบาบูลช่วยลูกเล่นกับเล่นกับลิงท่านั่งที่เพิ่งฆ่าแม่ไปหยอกหยอกนะแต่ว่าเห็นลิงเห็นลูกลิงแล้วฆ่าไม่ลงความเป็นแม่มันสูงมากมันก็เล่นแล้วก็ดูแลดูแลจนกระทั่ง พ่อของมันน่ะกลับมาเด็กก็มันก็ปล่อยให้ลูกนี่กลับไปอยู่กับพ่อนะนี่แม่เสือนะไอแม่สิงห์นะสิงโตอ่เป็นความประทับใจมากอ่าแล้วก็เตรียมรับพร